เราก็มีหน้าที่ฟังแล้วก็นำไปปฏิบัติหลวงพ่อในอาชีพโดยตรงคือสอนคือพูดขอภัยที่บวชในนี้ไม่ได้บวดเพื่ออย่างื่นเพื่อมาบอกมาสอนมาทำในสิ่งที่มันถูกต้องโดยเฉพาะข้อวัดปฏิบัติ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 อาศัยหลักทำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาสืบมาสารมาต่อมาเอามาทำอย่าให้มีอยู่ในตำราเอามาทำดไูไม่เหมือนตำรายาตำรายาในบางทีก็คนเราไปกินบางทีก็ถูกบางทีก็ไม่ถูก บางทีก็ลักษาโลกหายบางทีก็รักษาไม่หายแต่ว่าหลักปฏิบัติธรรมเนี่ย<ม>ถ้านำไปปฏิบัติก็มีผลกระทบทันทีเช่นความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวเนี่ยถ้าไปโยกกายไปโยกคิดใจสร้างให้มีความรู้สึกตัว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 มันกับเชื่อไว้พัดหรืออะไรต่างๆนั่นแหละมันทำให้เกิดโลกหลายอย่างตัวลงเนี่ยตัวรูดจิตตัวยังเป็นตัวคุมกาเนิดอของความหลงถ้าไม่มีหลงแล้วสิ่งที่จะทำให้เกิดเป็นทุกข์เป็นโสดเป็นทึดต ก, กกังวลจะไม่มีนะ ถ้าลงน้อยโลกก็หายน้อยถ้าหลงเออถ้าหลงถ้าหลงมากโลกก็หายหายไม่มากถ้าหลงน้อยโลกก็หายแต่มากโดยเฉพาะ ต, ตัวลูกสึกตัวเนียเราจึงมาทำํำมาประกอบมาสร้างให้เด็ให้มีขึ้นให้ได้แล้วก็มีให้ถูกกาลเทศะ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 โลกแห่งความหลงไม่ต้องไปสัมผัสกันหรอกแม้มันจะสัมผัสก็ลบไปโลกแห่งความรู้สักตัวเวลาใดที่มันจะเกิดอะไรกันลู่จักตัวลู่จักตัวจะสัมผัสกับบุญจะสัมผัสกับกุศลจะสัมผัสกับมรรคผลในผานก็คือสัมผัสแบบนี้รู้สักตัว อย่าไปสัมผัสต่อว่าโอ้ตายไปแล้วเพืจะได้สวรรค์ในพานนั่นนั่นมันคิดเอาเฉยๆหรอกไม่มไอ่เหตุไม่ผลอันใดความคิดของใครกราชอบคิดเอาวาดพโนภาพคิดไปต่างๆนานาตายแล้วจะได้สวรรค์ขันโนหนขันนี้เขาว่าอย่างนั่นเขาว่าอย่างนี้เลื่อนล อ, อยนะแต่ถ้าเรา รูดสึกตัวรูดสึกตัวสร้างโลกกันเอาไว้กุยเอาไว้กุยทางเอาไว้ให้ค่องในทางความรูดสึกตัวถ้าจะเป็นบุญเป็นกุศลเป็นมรรคผลในผ่านมันต้องต้้งต้นจากตรงนี้ทำไมตั้งต้นจากตรงนี้มันก็มีได้ยากนะอาจจะมีก็อาจจะโชคหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ อย่างตกกระใดคอยประโยชน์มะไรมันก็อย่าไปหวังแบบนั้นเกินไปถ้าสิ่งไหนไม่มีกับมือเราอย่าไปหวังฝังน ห, หน้าหมอน้าเ้าจะไปไหนมาไหนถ้าเราจะเดินทางจะไปไหนต้องเตรียมให้มีเรื่องใช้ไม่สอยความที่จะใช้ในเวลาอะไรไปขายทำกลางคืนยาสีฟันแปรงสีฟัน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 จะเห็นโลกอืนอ่นๆหลายๆโลกนะไม่ใช่ตาเห็นโกูกแต่ก่อนมันไม่ไรมีความรู้สึกตัวมันไปทางอื่นไปซะหอ้ยได้ยินเสียงมันไปทางอื่นแล้วแต่นี้เรามารู้สึกตัวงอได้กลิ่นได้รสได้ดสัมผัสปิตใจมันคิดตัว่าธรรมอารมมันไปทางอื่นหมดชัดเราไปทางอื่นหมด แ้าเป็นเครื่องมือซั์เราลงลึกเข้าไปร อ, รอรอคอรอคอลอยคออยู่แหวกว่าอยู่ก็น้อยไ้แต่รูปสึกตัวมันยกขึ้นยกขึ้นมาแต่รูปสึกตัวมันยกขึ้นมาไม่มีอะไรทับทมได้เป็นโลกให ม, ใหม่เป็นโลกใหม่ของชีวิตเรา คือว่านาวคีวันได้โลกใหม่ชีวิตใหม่เลยเราความรู้จึกตัวทําให้ใหม่จริงๆนะเห น, นวัตีวันมันใหม่คือเป็นพรหมจรรย์ถ้ารู้สึกตัวนี่ยใน ร, ระเริดพุทธพรหมจรรย์ถ้าหลงเราพรหมจรรย์ด่างพร้อยทะลุเราจึงมาฝึกหัดอาศัยการกระทําอาศัย แบบฉบับของพระพุทธเจ้าในตาราในพระสูตรพระองค์ก็ตัดไว้เพียงว่าการโค้งแขนเข้าการเหวียดแขนออกให้รูดสึกตัวการเดินไปข้างหน้าให้รูดสึกตัวการถอยเตืนข้างหลังให้รูดสึกตัวการคองจีวรการฉันบิณฑบาตการหายใจเข้าการหายใจออกให้รูดสึกตัวเป็นคําสอน แต่ว่าเราทําให้มันเด่นอายนุนี่สมัยนี้นะเหมือกับเครื่องมือสมัยทวนนี่เราต้องให้เกิดมีผลกระทบพอสมควรถึงจะแก้ได้เห็นตัวปฏิบัติต้องมานั่งยกมือสร้างจังหวะต้องมาเดินจงกรมต้องมาเคลื่อนไหวต้องมีหมูมีมิตร ต้องมีสถานที่ต้องมีสิ่งแวดแล้อมมันจึงจะช่วยได้พอมันถลําไปไกลแล้วเหมือนอาหารการกินทุกวันเนี่ยมันตางเก้ามากมากนะสามสีปีก่อนมันก็ไม่เหมือนอย่างนี้ยี่สิบปีก่อนไม่เหมือนวันนี้สิบปีก่อนไม่เหมือนวันนี้วันนี้กับสิบปีก่อนไม่เหมือนกันอาหารการฉันที่พวกเราฉันอยู่บัอยู่กินอยู่ โดยเพราะพระสง่ยซึ่งไม่มีทางที่จะหลบไดอ้อะไรที่เราฉันลงไปเนี่ยมันต่างเก่าต่างสามสิบปียี่สิบปีต่างหลา1สิบปีอาจจะมีโทษมีภัยเพิ่มขึ้นของชลธมากขึ้นอังทีตาเราดูก็รู้ว่ามีผงชโลธพอคีมเข้าไปก็จาดกันมทีลย แต่ปลาลา่าแมแต่น้าพิษก็มีจะ่ของสลดมันต่างเก่ามันปรุงแต่งมันปรุงแตง เ, เกินไปนะทุกวันนี้ไม่ได้ไม่ใช่เฉพาะเรื่องลูกเรื่องนามน้ำมันมก็ปรุงเลยนะถ้าเราไม่พัฒนามันมันอยู่ตรงไหนก็ไม่ลูกแต่ในีนามน้ำมะทำนามมะทำที่อยู่ในชีวิตเราเลยลูกก็ทำก็ปรุงไปแล้วมองอะไรไม่มองธรรมชาติไปแล้ว คิดอะไรก็ไม่คิดเป็นธรรมชาติเราคิดแบบปรุงปุงต่างแต่ชอบปรุงชอบแต่งไปแล้วแล้วเขาจึงมีวิธีกรรมที่จะต้องดูแลตัวเองกินเห็ดเล่นจือพอเห็ดเล่นจือมาต้มหลวงพ่อก็ยังไม่ได้กินเลยพอจะให้คลสะอต้ตองให้ก็ยังไม่ได้ต้มต้องกินเห็ดเล่นจือต้องกินย่านางแดงต้องกินอ่าลางจืดเื่อถอนพิษ พอที่็ต้องทำอะไรลรอฮะทำอะไรอะไรอะไรกาแฟเขาเลือกว่าอะไรนะดีท็อกดี อ, อต้องมีดีท็อกแล้วทุกวันเนี่ยนะแ้วก่อนนั้นไม่มีต้องมาขับพิษออกจากร่างกายมีหมอกอ็ศึกษาเพิ่มขึ้นเรียนรู้เพิ่มขึ้นมีประสบการ หาแนวทางต่อต้อตานคุ้มครองป้องกันโลกเพิ่มขึ้นองค์พิวานก็ใหญ่โตเพิ่มขึ้นคนก็มากขึ้นเจ็บป่วยหลายรูปแบบโรคต่างๆนานาเกิดขึ้นมากมายน้าจะไปอยู่ยั้มตกอยู่านเดิมไม่ได้ไหเห็นเลี้ยงโกูกเลี้ยงเต่าทุวันนี้ต้องปวดขันกลก่อวดใจก่อ น, อนแต่ก่อนนี่ปล่อยลงทุ่งลงท่าปล่อยเข้าดงเข้าป่าไม่มีอะไร เดิมถนนถนท น, นทางเดินกันเป็นแถวพ่อแม่เดินก่อนลูกเดินตามหลังจงวัจงวจงควายตามถนนถนนทางวันที่ก็ตีควายเป่าปีอ่าคุยกันพูดต้องเพลงอ่านหนังสือตัวเน่ต้องมองหน้ามองหลังตามถนนห น, นทางเดินก็ต้องสวมรองเท้าเชื่อโลกไม่แต่อากาศน้ำดิน เราก็ต้องขอสมขวดเึง่อจะพ่นจากภัยได้การปฏิบัติธรรมกหมือนกัารเราจะไปซื้อฟื้นซีวีโง่ๆไม่ได้แล้วนหน้าไว้ใจอะไรคนทัวน่วไปแล้วก็รูปลดกินเสียงมันไม่เหมือนสิบปีก่อนเสียงก็ไม่เหมือนสิบปีก่อนยี่สิบปีก่อนรถก็ไม่เหมือนสิบปีก่อนยี่สิบปีก่อน พาะเขาปรุงแต่งไม่แต่ปรุงปรุงแต่งๆคำพูดคมจาของคนสมมุญประโยันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเอองใช่ไหซ้อยอะไรต่างๆมันมากไปโดยเฉพาะอารมณ์ของคนเลยมันเป็นเหมือนสีปีก่อนไหมวันนี้มันมีสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีนะ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 บองทีเราก็เล่งแล้วกวดวิชาให้ตัวเองมาเห็นแต่ก่อนเราก็เป็นเด็กได้เงินได้ทองมก็เฉยไม่มีค่าต่อมาเป็นหนุ่มเป็นสาวได้เงินได้ทองก็โอ้เที่ยวเล่นสบายดีใจต่อมาต่อมาพอเป็นพ่อ้านแม่เลือนเป็นครสิลูกเป็เจ้าก็ได้เงินได้ทองอก็ส ร, ร้นนา ง, ง, ง, ง, งหลักปักฐานอ้าพอต่อมาต่อมาพอแก่พอเท่าเข้าไป เงินทองไอ้คิดจากจะทําบนญําทานโหยปวดแกแก่จะเท่าอที่ไอ้ได็คิดทําบนญทาทานมันก็ปล่อันเดินแล้วไม่ว่าห้าไห้ใจไมหน้าไห้ใจเราจึงปวดวิชาให้ตัวเองเพื่อให้เกิดความพร่อมทั้งเสียน่นเนินมองให้เนิน่นมองแต่เนินเนินรีบเกิดเตยยังจะถูกต้องความเป็นหนุ่ม ตื่นเต้นดึกศึกเต้นหนุ่ม น, น, น, น, น, นะมาสร้างความรู้สึกตัวแต่มันสมกับโลกที่มันรุนแรงนะโลกที่มันรุนแรงต้องมาสร้างต้องมาปฏิบัติต้องมาศึกษาเราเรียกว่าโลกโลกมันมีรสชาติมากฟงแตรงจนจนลืมพันเลย เหมือน <c oughs> เหมือนข้าวคัดพันเกินไปก็เลยลืมพันเลยเอาไปมาจะจ่ไม่มีข้าวก็อาจจะเป็นได้มันคัดจนเกินไปอย่างมาม่วงงนี่ยนะคัดพันจนลืมจนไม่จนเป็นหมันเลยแนละ้วข้าวกอขอห้าก่อขอหกนะรออปักทองเนี่ยลอง เราลองเราเก็บพันตอไว้ปลูกดสิไม่มีโอกาสได้กินแล้วทุกวันปลูกมันก็ขึ้นอยู่มันก็ไม่ไม่ไม่มีเคือเป็นพุ่มต้อง้อยู่นั่นแหละไม่ล่มพุ่มแต่ก่อนพอมันเกิดขึ้นมาได้อาทิตเนี่ยมันจะล่มไปแทนเดือยอยู่แทนเดือยแต่วันที่ปลูกแล้วเราม่ขึ้นอยู่แต่ไม่มีโอกาสล่มเป็นพุ่มอยู่นั่นแหละคัดจนลืมจะต้องซื้อเขา ต้องซื้อเขามาเพงปลูกได้กินแตงก็เหมือนกันข้าวก็เหมือนกันต่อไปต่อไปข้าวเม็ดละบาดนะจำยังไงพวกเรามะม่วงไหดูซิมะม่วงขึ้นสมองหลงคอยี่สิบปีก่อนปลูกเจอจนโอ้เลอนี่ไม่มีสักลูกเลยมันพันมันเป็นหมันไปแล้วมันคัดจนเกินไปเดี๋ยวสเสวยน้มดอกไม้ออกล่องฝ่าลัน อะไรต่างๆชื่อเพราะทั้งนั้นแต่นี้มันก็ไม่มมรัยในต้นสังหลงังหาโลกทักปรกไ ก, กัไม่างนี้มันปรุงเกินเกินไปโลกที่มันถูกปรุงกันมากเราอาจจะลงมากกว่าเก่าความรุนแรงของคนบ้าหูบเกียวเพิ่มขึ้นเราจะทำยังไงเราจึงมาสร้างตัวนี้กัน มามันเป็นคู่กับโลกสร้างความรู้จักตัวดูนะตาเห็นโลกมันจึงจะใช้ได้โอ้จะยินเสียงมันจึงจะใช้ได้จมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสมันจึงจะใช้ได้แต่เราหัดให้มันสู่ธรรมชาติมันกากับได้กากับได้เห็นลิ้นของเรานี่ยแต่เราหัดกินอาหารที่มันไม่มีพิษมีใส่มันก็ใช่ประโยชน์ได้แต่เราไปหัดมันเป็นด้านสูบุรีเป็นลิ้นมันด้านเลย กินมาจนลื่นมันด้านไม่มีรถอะไเลยเข็มเท่าไหรเขาเรียกว่าไม่เข็มเขาก็นัง่งชันเข้าวกับคนสุโขเลยก็เค็มเราอะไรจะตายเขายังขอหนําปลาบ้างขอเกลือบ้างไม่มีรสอะไรเลยมันลื่นมันไม่อ่อนกินผงสลดมากลื่นก็บทือไปเลย ก, กินมากกินหมากมากกินเหล้าเสียงเสต็ติดสใจใจเขาเรานะ่ะไปปรุงอะไรันทือไปแล้วโกรธยงไม่รู้สึกตัวเลยหลงก็ยังไม่รู้สึกตัวด้านไปแล้วอะมันด้านไปแล้วอายกันหน้าอายก็ไม่อายไปแล้วอการ น, นุ่งห่มการแต่งตัวกีริยมระยัดด้านหมดเลยคนดวนเลยนะอ๋อไม่มีให้เหมือนห้าสิบปีก่อนของคน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 ทรัพยากรสิ้นเปลืองมากๆาิชีวิก็สิ้นเปลืองมากอะไรๆก็รีดเข้าไปมากๆเลยทวันมันรีดเราลูกมานก็รีดเราจากเราเสียดบังกนรีดเราจากเราตีนลถอะไรต่างๆมันรีดจากตัวเรามันทำให้รีดตัวเราแรงงานขอเราหมดเนื้อหมดตัว ไม่มีเวลาให้เจรตัวเองต้องรีบนอนรีบตื่นรีบปินข้าวรีบแต่งตัวรีบไปทํา ง, งานรีบกลับบ้านขาดขาดอะไรทั้งหมดเลยเมื่อก่อนคนโบราณเรามันมีมันมีฌานมนฌานมนโปกไว้ลอยอากาศ นอกออกไปยื่นออกไปเป็นเรียกว่าชานมนสาหรับอะสำหรับนอนคุยกันบ้านใกล้กันเป็นคุ้มเป็นขวงเรียกว่าควง <c oughs> คุ้มควงคุยกันถามข่าวถามข้าวสวนกันอาดีก็หอบเหิ้ยวตะกล้าเหิ้ยวกล่องข้าวมากิน ร่ <c oughs> วมกันได้ใ น, ในได้ได้ยิ้วได้อะไรก็ไปรวมกันทำขอผ้าเข็นฝ้ายปั่นฝ้ายแกะทช่ไหมัลอกปอบิดพอปันเชือกจับตอกมันเอาไปหมดแล้วมันรีดหมดแล้วทำไม่ลงแล้ว งานบ้านงานป่าพุ่นวายไปหมดเลยความเป็นระเบียบของการทำงานเนียไม่มีแล้วมันรีดเราใจมันกลรีดเราร้อนมากพอห้นั่งยกมือแป๊บเดียวมันก็คิดไปแล้วพุ่งไปแล้วตางไหนก็ไม่รู้ใครทำอะไรให้มันเป็นตัวของเราไงให้มันมองตัวมองไม่ออกหลุดลกไปง่ายๆนะมันตั้งไม่ติดเลยใดๆ มันหิวไปไหนไปโล่สิ่งแวลอมมันหิวเรานีไป็วหว่างจึงสร้างให้มัหลักมนฐานมั่นจกหน่อยนะพวกเราอ๋อนั่งยกมือสร้างจังวะซึบซ้บซึบซ้บสิบสี่จังหวะสิบสี่ลูกมันจะรุนแรงขนาดไหนมักกะว่าก็ไไ้เหมือนเชือกผูกวัาทมิน หัวเทมเพนเคยอยู่หัวถึกแต่ว่าโผก่ไปดึงไปก็โดดไปดึงมันไว้มันหัวถึกนะจิตของเราเนี่ยแต่ก่อนหลวงพ่อเคยฉายจะไล่มีเครื่องฉา้จะไล่มีเครื่องขยายมีไม้มีม้วนเทปทําคนเดียวหัวถึกทําเป็นรูปหัวรูปหัวถึกตัวใหญ่โต อาหฮานแต่มีบุรุษคนหนึ่งอยากจะจับวัวแต่ว่าวัวนั้นมันมีเชือกขาดติดจมูกมันอยู่นิดหน่อยแต่ทํำยังไงเดี๋ยวจึงจะจับวัวตัว น, นี้ได้มันก็มีลอยให้จับเลยต้องจับตรงเชือกนั้นให้ได้เอาหญ้าไปล่อไปเลี้ยงคอยอยู่คอยล่อมันมันก็ใกล้เข้าไปเข้าไปพอจับ เราให้จับพอจับเที่ยบก็ดินมเดยนั้นพอดินมก็มันก็ดึงเราไปวิ่งไปเราก็ดึงมันได้บ้างมันก็ดึงเราไปบ้างนะดึงกันไปดึงกันมาแล้วก็ค่อยไม่ว่างไปจับไว้ทีแรกโอ้โหอสอรัสอย่างมันดึงไปนะเราก็ค่อยจับตายจับตายจับตายค่อยคุ้นเข้าไป ลุงพ่อจะใช้เชไล น, นะไปปฏิบัติทำที่ไหนลุงพ่อจะใายเชไลด้วยมันยายด้วย <c oughs> จับไปจับไปจับไปเอาไปหัวก็เชื่องพอหัวเชื่องก็จูงหัวมือจูงหัวหัวตามหลังไปเอาไปมาไม่ต้องจูงหัวหัวตามหลังไป เอาไปมาไม่ต้องจูงมันให้หัวออกก่อนหัวก็เดินออกก่อนบางทีเราก็ขี่หลังมันเป่าขุยเป่าขุยขี่หลังหัวหัวตัวแต่ก่อนหัวตัวดำมีมีขาวนิดหน่อยขีหน้าผากเอาไปมาก็ขาวขึ้นมาตรงหัวขาวมาตรงคอขาวมาทั้งขาหน้าสาวไปข้าง ข้างขาหลังขาวไปขาหลังขาวหมดหัวทั้งตัวที่ดําๆขาวหมดเอาไปมานั่งบนหลังหัวหัวนอนเราเปิดเปาขุยให้หัวฟังเอาไปหัววูวหายคนก็หายไม่มีอะไรเหลือไม่ใช่ตัวปฏิบัติเราอธิบายได้เนี่ยจิตของเรานาะเหมือนกับวดถึกสติเหมือนกับจับปัว่ว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 อะไรมันวิ่งไปจับไว้จับไว้จับไว้จับไว้เอาอะไรมาก่อตามเราได้หว่าห่วงตามเราส่วนไว้ไปมามันลูกเอาไปวางห่ว อ, ออกก่อนมันลูกก่อนผลพูดผลทาก่อนคิดเออเต็มที่แล้วปะ่ะนะเต็มที่แล้วผมรู้สึกตัวน้ำอะไรแต่ก่อนความหลงมันน้ำอมามันความรู้สึกตัวมันนําน้ำมันน้ำ เอาไปมาผมดูจากตัวแต่ก่อนมันก็ดุแล้วก็เชื่องลงเชื่องเออความหลงมันดุแลาวไม่เกิดกิเลตธนาเกิดพัชพาดมันมืดมันดําอยู่ในวันแลราทำมันก็ดำความงงหัทอนแต่ว่ามันดำความคิดสงสารความเมตตาสงสัยมันดําอำกายเศรษฐาจิตธรรมแต่ก่อนมันก็ เป็นเรื่องของเขาคนน่ะต่ค่อยขาวค่อยขาวขาวบริสุทธิ์จนจนไม่เหลือจนไม่เหลือแล้วเร่งมันนั่ที่มันยากยากจนไม่เหลือแล้วกลายมาเป็นเรื่องง่ายแล้วเวทนาก็ทำให้สนับสนุนทำให้บรุตทำกายก็เป็นเรื่องสนับสนุนทำให้เกิดการบรุตทำ อิดที่มันดุร้ายก็สนับสนุนทำให้เกิดวันรูุธรรมรมก็สนับสนุนให้เกิดธรรมแม้เป็นกุตอากุศลก็ทำให้เกิดกุศลขึ้นมาร่ายกลายเป็นดีผิดให้เป็นถกูกทุกให้เป็นไม่ทุกแต่ว่ามันสนับส น, นุนขอบคุณมันด้วยนะในกายของเราเลยไม่ใช่แต่เรื่องขอบคุณไม่เมอะไรที่จะไปโอ๊ย แต่ก่อนโอ้ยไม่ไหวแย่แย่ไอ้เรื่ขอคนมันมันมีเพื่อให้ไม่มีมีเพื่อให้ลูกเพื่อให้เกิดสัญญาเนียมันเป็นอะไรนะการปฏิบัติธรรมเอาศึกษาเอาเหตุอาปัจจัยที่มันมีอยู่นี่แหละเจตุธมมาเหตุตุกขภาวะเหตุสังเหตุตองตถาขาโตนี่แหละสอนเรื่องนี้พระพรุทธเจ้าเราก็มาลูกเรื่องนี้ าาพระสาวกทั้งหลายของพระเจ้าก็รู้เรื่องนี้เป็นส่วนมากอย่างที่เราสวมมดธรรมบัติสังเวชในสักถาเอวังเอวังรู้เรื่องนี้หละรู้เรื่องกายรู้เรื่องรูปเรื่องเวทนาเรื่องขนันธ์ห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยง โลกไม่ใช่ตัวตนจำแนกออกไปอย่างนี้คือที่เราว่าเอวังภะกะเจาะพนัสสะประกรวาโตสาสนานุสาสนีพระโหาราปวัตติพระโหคือมากเอวังก็รวมลงองก็ส่งสาวกทั้งหลายรู้เรื่องนี้เป็นส่วนมากาพระพุทธเจ้าก็ทรงสั่งส อ, สอนสาวกทั้งหลายเช่นนี้เป็นส่วนมากเราก็เห็นทุกวันทุกวัน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 ไม่เป็นอื่นเอาความไม่เป็นทรามให้เป็นธรรมธรรมย่อมชนะธรรมอยู่เสมอเรามาสร้างตัวเนี้ยกันมันก็พาเราไปอยู่หรอกนะทีแรกก็มีสติเห็นกายมีสติเห็นเวทนาเวทนาไม่ได้ไปหามันหรอกจิตก็ไม่ได้ไปหามันผุดขึ้นมาเองทำเหมือนนั่นน่ะมันมีเหตุมีไปใจที่ทำให้เกิด เป็นกุศลเวลากุศลกุศลก็คือความยิ้ยมแย้มแจ่มใสมีศีลมีสมาธิมันจะเกิดไปอากุศลก็คือควา ม, มง่วงเมาหอนนอนความทะเลาสงสัยมันก็เกิดขึ้นมาเราก็รู้เรารู้แล้วมันก็ลบแล้วลบเอกุศลลบบาปละบาปแล้วตัวรู้เกิดเป็นบุญขึ้นมาตัวรู้คือบุญตัวหลงคือบาปมันก็แย่กันอยู่แนะ่ะ ก็ลูกไปเห็นไปทาไปเอาไปมาก็เห็น <c oughs> ลูกก็ทาเห็นนามมาทาที่มันมีอยู่ทาไมเราจะไม่เห็นนั่งอยู่นี่คือลูกใครจะเป็นอื่นมาเป็นอื่นมันปเป็นไปไม่ได้มันเป็นลูกที่จริงเป็นลูกที่มันทำชั่วเป็นลูกที่มันทำดี เรายกมือสร้างเิตวะรูปสึกตัวนีรูปมันทําดีแต่เราไปด่าไปฆ่าไปตีไปขโมยไปทําทุนจิตในทางกา ย, ยกรรมวิจิกรรมโนกรรมรูปมันทําชั่วนามมันทําชั่วอแล้วนี่นามมันทําดีด้วยเรามีสติมันจับทั้งรูปทั้งนามความรู้สึกตัวจับมาเป็นเจ้าของมีอํานาจจับรูปกับนามมาไว้ด้วยกัน หรือสึกตัวรู้สึกตัวอยู่เป็นหนึ่งเดียวความเป็นหนึ่งความรู้สึกตัวคือความเป็นหนึ่งเมื่อความหลงก็เป็นอื่นความหลงเป็นอะไรต่างๆน้ําก็ไปทางอื่นลูกก็ไปทางอื่นกวีกระจายไปะราจะมาสร้างความรู้สึกตัวมาสร้างความรู้สึกตัวมันจะค่อยเห็นมันจะสลุปมันจะรวมมันจะกวดมันจะตกแหล่ง รวกยอดะวามโลดจากตัวพาให้รวมวมลงพาให้เกิดเอวังพาให้น้อยของม า, มากมากทำให้น้อยของน้อยนอยทำให้มากผมโลดจากตัวนะว่าแต่เราสร้างให้มันมีแต่น ะ, ะก้มหน้าก้มตาสร้างลงไปจาัน เอาเหตุเอาผล๋ยวเอาความชอบจเจ่าไปเอาความไม่ชอบเอาการกระทำให้เป็นกรร ม, มาฐานจริงๆมีที่ตั้งมีการกระทาเห็นมันก็เห็นของที่มันมีอยู่นี่แหละจะไปเห็นสีเห็นแสงเห็นในมิตเห็นพระพุทธเจ้าเดินมาก็ไม่เอาเห็นสวรรค์อยู่บนที่ไหนก็ไม่เอาถ้ามันมีก็ให้มันมีอยู่ในกายในใจเรา ถ้าเป็นบุญก็ให้ใจมันดีถ้าเห็นบาปก็เห็นมันโกรธเราก็เปลี่ยนความโกรธเป็นความไม่โกรธเปลี่ยนความหลงเป็นความไม่หลงเราก็ละบาปสร้างบุญมีบุญคนมีสติมันก็ละบาปมันก็ละความชัว่วมันก็ทำความดีอยู่ในตัวมันเสร็จแล้วแม่เราบางทีเราไม่ได้สมาทานศีลเมื่อก่อ น, นเราพอก็เคร่งคัดเรื่องนี้พอสมควร ในเ น, น่ก็ให้ไล่ให้ท่องสมานเณรสิกขาฝันพระวันศีลก็ให้ในเนสมาทานศีลพระสงฆ์กับองอาบัติแสดงอาบัติที่จริงมันเป็นไปแล้วคนมีสติมันก็ทรงอาบัติอยู่แล้วไม่ใช่ว่าสัพตตาอาปัปปติโยโ ล, โลเกมิ สัพตะอัติโยโลเมสัพพะคลุลหกอัติโยโลเมสัพพะคลุลหกอัติโยโลเมสัพพะลกสัพพะอัยนานาวัตถุกเยะงตะุมหะุเลปติเเมิปัสิโสตปิโยะมปันเตปส อาโสงสงม์สาชุดทุปันเตสัมฤทิ์สามิุทียมปีสาชุดทุปันเตสัมเทธิเมินัปุนในวังฤทธิสาเม็นัปุนในวังพาจิตสาม็นัปุนใ น, นวงันนวงกินตะจิตสาเม็นั้ น, น, นเป็นภาษาคำพูดถ้าเป็นตัวปฏิบัติก็้วปองแล้วมันหลงปรงแล้วเป็นรูแล้วเรียกว่าเห็นแล้ว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 มันหยุดลงแล้ววางลงแล้วหยุดแล้วเนี่ยมันปรงอวบัดอยู่ในตัวมันแล้วไม่ต้องว่าสัปตาอาปเทีย โ, โลเกมิฝาครับผมผมนี่อาจจะอผิดพลาดอวบัดเอาไว้เล็ก น, น้อยที่ทําให้ผิดหูผิดตาของพระคนท่าน อ, อาจจะมีอะไรที่ทําให้ผิ ด, ผดหูผิดตาผิดอกผิดใจไม่อยุเร็กยู่ร็กความประมาด ไปเสียโชตาตประโยชน์ท่านเห็นหรือท่านเห็นว่าท่านผิดเลยครับผมอามาพันเตปัสสะมิไอเตียงเวโซใช่หมต่อไปท่านอย่าทำอีกนะครับผมอาโชทูันเตจงลิสะมิเป็นเป็นคําพูดแม่จะบอกจะคิดอย่างน้าจะคิดนะครับผมครับผมแต่มันยังคิดอยู่มันก็ไม่ปุ่งไม่ปุ่งอาบัดวันนี้เรามาทำเนี่ยมันปุ่งเริงๆมันหยุดจริงๆมันไม่ไป มันรู้จักตัวมันรู้จักตัวเนี่ยเวามรู้จักตัวเนี่ยมันทะละความชั่วมันทำความดีปองอาบัดตลอดเวลารักษาท ร, รมัธินัยตลอดเวลาแม้แต่คิดมันก็ไม่ไปถึงว่าทาอะไรลงไปไม่ได้เจตนาะถ้าเป็นผิดก็ไม่ได้เจตนาต่อสิ่งไหนที่ไม่ได้เจตนามันก็ไม่เป็นกรรมเจตนาหังกรร ม, มังวดาไว เจตนานี่ยแหละเป็นกรรมถ้าไม่มีเจตนามันก็ไม่เป็นกรรมพอเราจเจริญสติเราก็ทําวินัยอยู่แล้วนะทําเวไนยอยู่แล้วแต่ว่าให้เป็นทําเวไนยต้องจัดการกับตัวเองอยู่ในสาระเทศะิยามัญญาติ ด, ด้วยการ น, นัง่งการเดินการเดินการพูดการจาิยามัญญาติเนี่ยให้มัน กลมเนกันไปอย่าแข็งกันด้างอย่าทื่อปลื้มเราจัดพัฒนาด้วยการนุ่งการหม่มการเดินการลุกเราดูแลตัวเองให้พอเหมาะพอควรการคบการฉันไม่ดูแลตัวเองให้พอเหมาะพ อ, อควรหวางตัวหวางตนพอดีว่าจีไถ่เลาะสงเคราะห์ด้วยศิลโดยธรรม นำท ร, ร ม, มาไว้ในเราความรู้สึกตัวมีถลา่ความเมตตาความอดทนความมีสติความมีความเพียรความมีศรัทธาความมีสมาธิความมีปัญญาปัดใช้ว่างให้มันรอบรอบตัวลู่รอบรอบถเห็นอะไรที่มันเกิดขึ้น ก, กับตัวเราก็แฉมแง่เห็นแง่ เห็นความหลงเปลี่ยนเป็นตัวลูกไม่มีสติขอให้เรามาสร้างสติเถอนะมันจะไปทดองนี้แหละมันไม่ไปทางอื่นหรอกเห็นนั่นเก่าเห็นแล้วเห็นอีกไม่เป็นไรเห็นความง่วงกีวันแล้วไม่เป็นไรหรอกเป็นปีก็ยังไม่เป็นไรแต่ขอให้เห็นเถอะนะเห็นความคิดฟุ้งซ่านก็ไม่เป็นไรเห็นนันเดียวนี่แหละ ทำไมมันจึงคิดอยู่ทำไมมันจึงคิดอยู่ไม่ต้องทำไหมมันจะคิดก็เป็นเรื่องของมันเราจะลู่มันหน้ท่าเดียวเนี่ยมันจะโกรธจะเห็นมันเถอะขอให้มันเห็นเถอะอยาให้มันลอยนวลได้ความโกรธเอาไปมามันจะลู่จากอายมันกันแล้วความโกรธอายความลู่จะพัวเหมือนกันเพราะมันไม่จริงแม้ว่าลูกครึ่งคึ่งกลางกลางก็ยังดียแล้วโกรธก็ไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์แต่งมีสติอยู่นะ อาจะมีเสถียอยู่ไม่ถึงรอยเปอร์เซ็นต์แน่นอนถ้าลงหลร้อยเปอร์เซ็นตเลยทีเดียวกิเลสตันหาก็100ร้อยเปอร์เซ็นต์ปมแต่งรอยเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเห็นรูปเห็นนามเนี่ยมันก็ถูกอักขาอักขาอารมมันกระยกกระยกนิดหน่อยนะถ้าเห็นรูปมาทำเห็นนามมาทำล้วเหมือนกับแมวที่มันคุบหนูมันกัดหัวหนูก็ไปแล้ว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 ให้มันไปเห็นรูปธรรมเห็นนามธรรมเหมือนกับหักขากิเลงถ้ามันมีกิเลเห็นในรูปอยู่ในนามเหมือนก็ทําลายลงแล้วเห็นรูปเป็นนามเห็นแต่รักเห็นอารมณ์ได้อารมณ์แต่ไปเห็นสมมติเห็นบัญญัติลื่แล้ววะลื่ถอนแล้ววะกาลังจะจืดแล้วไปเห็นสมมติเห็นบัญญัติเนี่ยจืดแล้วอารมณ์มันจืดแล้วถ้าเป็นเชื่อโลกก็จืดแล้ว หมอกำลังปราบไปแล้วอ่อนลงแล้วตัวไม่ล่อนมันเดิมแล้วเย็นลงแล้วไม่การหาก็อุ่นขึ้นมาบ้างแล้วลดลงแล้วลดไข้ลงได้แล้วถ้าเห็นสมมติเปญญยาเนีย ล, ลดลดลดโรกลงได้เยอะนะตืดแล้วถ้าเป็นเชื้อโลกอยู่ในร่างกายหมอกำลังล้างท้องแล้ว ัญาพิษล่างออกแล้วขับออกหมดแล้วมันเกินไปทํานองนั้นการปฏิบัติธรรมความโลภความโกรธความหลงความอิจฉาไฟบาทความทุกข์อ่อนเพี้ยเต็มทีแหละปติก็ใหญ่ขึ้นปัญญาสมาธิใหญ่ขึ้นนะต่างเก่าอยู่ดอกจะไปตังเล่ยงสงสัยทําไมต้งปฏิบัติทําไม มันใปฏิบัติมันจะเป็นอะไรมันปฏิบัติแล้วมันให้ผลอย่างไงมันเป็นยังไงไม่ต้องไปคิดอหลองข้อก็คิดเืองกันสบายก่อนถ้าไม่ถ้าปฏิบัติได้ถ้ามันโลดแล้วมันจะเป็นอย่างไงไม่ต้องไปคิดหรอกมันไม่มีคําถามแบบนั้นมันจะเป็นคําตอบเอาเองใครถามใครตอบคนที่ตอบก็ไม่โทรหรอก ผมว่าเราตอบเราเห็นเองนะจึงจะถูกต้องนะเป็นอย่างนั้นการปฏิบัติที่เราทำอยู่นี่เป็นเราลู่เองใช่ไหมเราก็หลงเอาเองใช่ไหมเวลาเราหลงเราลู้เองเราหลง เ, เวลาเราหลงเราลู่รความหลงมันเป็นยังไงความลู่มันเป็นยังไงมันทำหน้าที่ต่างกันอย่างไรควาลกกมลู้กับความหลงมันลงไปทางไหนแล้วแต่ หลไปในความคิดหลงไปในตาในหูในจมูกในโลูกในรสในกลิ่นในเสียงผมรู้ตัวเดียวพอไปรู้จบตัวแล้มันเป็นอย่างไงมันจะเป็นยังไงก็อท่านทั้งหลายก็ตอบเอาเองอยู่แล้วนี่คือของจริงเอาของจริงมาพูดเอาของจริงมาทําให้เห็นของจริงอาจารย์ผู้สอนก็บอกกันนี่พูดทําก็เห็นอย่างนี้เห็นไปทํานองนี้พอสอนเราไม่รู้ไม่เห็นน่ยไม่ใช่ ไม่ใช่ของเก่งหรอกไม่ใช่คำสอนของพระเจ้าสอนเรื่องการจเจริญสติแล้วก็มีสติ่นี้นะเป็นอย่างนั้นนะวันนี้ก็สมมาพราควรแลวะวขอหยุดติไว้เท่านี้พวกเราก็ก ร, ราบพระพร้อมกันระหังสัมมาสัมพุทธ佛 ข, า ว, าาขาวานทาาดทัง佛ขวานทังอริวาเท สวากาโตภะคะวะจาตมโทัมโมนะมะตาสุปฏิปโนภะคะวะโทสาวะตะสังโฆทังสังนะมะ